วิธีสละกขนเจียมที่เป็นนิสกีสละแก่สง์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญขนเจียมเหล่านี้กระผมนําไปเกินสามโยตเป็นนิสกีกระผมสละคนเจียมเหล่านี้แก่สงครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัต เึิ่งคืนคนเจียมที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆจงฟังข้าพเจ้าคนเจียมเหล่านี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงถ้าทรงพร้อมกันแล้วก็พึ่งให้คนเจียมเหล่านี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุหลายรูปข่มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แกพรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญขนเจียมเหล่านี้กระผมนําไปเกินสามโยน์เป็นนิสกีกระผมสละขนเจียมเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนขนเจียมที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าขนเจียมเหล่านี้ของภิกษุช่ยนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าท่านตั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้คนเจียมเหล่านี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับคนเจียมเหล่านี้กระผมนำไปเกินสามโยตเป็นนิสกีกระผมสละคนเจียมเหล่านี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนคนเจียมที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนคนเจียมเหล่านี้ให้แก่ท่าน